ดูลมให้ตัวมองคือผูร้รู้ต้องมองด้วยแต่ถ้าจะมองโดยที่ไม่ดูก็ไม่ได้เพราะเมื่อมีเพื่อมีสิ่งรู้จึงจะมีผูร้รู้ถ้าไม่มีสิ่งรู้ก็ไม่มีผูร้รู้สิ่งรู้คือ object of knowing เมื่อมี object of knowing ก็ต้องมีผู้รู้แน่นอนแล้วหาผู้รู้เจอไหมแล้วก็ต้องมาอยู่ตรงที่มองคือผู้รู้เมื่อมีผู้รู้มองนิ่งๆแล้วก็ต้องฝึกรู้สึกตัวให้ดี ตื่ด้วยสติแล้วก็เห็นเห็นเห็นอะไรมองลมแต่เห็นการหายใจของลมหายใจว่ามีอาการยังไงหนักป่วยยังไงพอเห็นอาการของลมหายใจก็จะเห็นอาการความรู้สึกความนึกคิดไฟไรกตัวเห็นเนี่ยจะเห็นทั้งรูปและหนางโอเคไหมไปแต่อย่างสรุปง่ายๆเลยนะง่ายไหม นอนนี้เพื่ฮะตอนนี้ขั้นแรกสมาธิอ่ะโยกต้องแน่วแน่แ น, แน่แๆตรงไหนตรงที่ดูกับมองดูเหมือนปลายปืนมองเหมือนด้ามปืนต้องมีเทิร์นปลายปืนจะด้ามปืนแน่แน่ปืนเรียได้ไหมถ้ามีแต่ปลายปืนด้ามปืนไม่มีก็เดี๋ก็ฟุ้ง ถ้ามีด้ามปืนปลายปืนไม่มีด้ามปืนหรือยวก็ง่วงเข้าใจไหมเข้าใจยังเพราะนั้นต้องเรียกว่าเอาปืนยาวเลยนะเวลาดูตรงนี้เหมือนเอาปลายปืนจ่อไว้แล้วต้องมีมองมองคือด้ามปืนต้องไม่เขยา่าต้องนิ่งๆโอเคไหมถ้าเมื่อไหร่ปลายปายืนกับด้ามปืนเป็นแนวดิง่งเอ้ยแนวแนวแน ว, แน ว, แ, นวแนวตรง ตรงระหว่างสิ่งที่ดูกับผู้รู้ด้ามปืนแนวแน่โอเคไหมโยนต้องได้ด้ามปืนแนวแน่ไม่ได้ยั่งอันนี้เขาเรียกว่าแนวแน่พอแนวแน่แล้วจะให้ยิ่งยิ่งกว่านั้นเขาเรียกว่าเจโตสมาธิพอเจโตสมาธิตรงนี้แนวแน่นะเหมือนด้ามปืนปลายปืนในแนวตรงอย่างนี้นะโอเคนะในแนวลหน้าใช่ไหม แน่แน่ได้ได้ามปืนก็ไม่สายไปสายมาปลปืนก็นิ่งๆเห็นชัดตรงที่สัมผัสทํางด้ามปืนปลายปืนแน่แน่ได้ยังแน่แ น, แน่แล้วไม่ฟุกแล้วแต่จะทําให้มีพลังมีการอยางรู้มีเจโตทํำยังไงมียังไงทํำยังไงก็ต้องเพิ่มตัวที่ใจเอาจริงเอาจริงปักตรงนิ้วถ่าน ใจเอาจริงก็จะเกิดพลังออกมาจากใจไอตัวที่ด้ามปืนตรงนี้พอมีใจปั๊บด้ามปืนในแนวโอระนาปั๊บก็จะเป็นด้ามปืนในแนวดิ่งด้ามปืนอยู่ตรงที่เอาจริงที่ใจปลายปืนอยู่ตรงที่ผู้รู้ตรงนี้ก็จะเกิดเจโตสมาธิโดยไม่ต้องอาศัยนิมิสแต่ตอนแรกต้องอาศัยมิจิสก่อนก็ต้องเอาลมหายใจเป็นปลายปืนเอาผู้รู้เป็นด้ามปืน อาศัยนิมิตก่อนเผื่อใหญ่ไหมแล้วพอต่อไปก็ก็ขั้นสูงก็เรียกว่าไม่ต้องมีนิมิตกระดาษไม่มีนิมิตก็คือเมื่อปลายปืนอยู่ตรงที่เราหายใจอาศัยนิมิตจนด้ามปืนนิ่งแล้วตอนนี้ก็ย้ายด้ามปืนลงไปที่ใจใจเอาจีิงไหมแล้วปลายปืนก็อยู่ตรงที่จิตเรียกว่าไม่ต้องอาศัยนิมิตลมหายใจแล้วจากแน่วแน่นะกลายเป็นเกโต โอเคไหมเจโตก็คือเมื่อตรงนี้แน่วแน่แล้วตรงนี้ด้ามปืนไม่สั่นแล้วนะเพิ่มด้ามปืนย้ายด้ามปืนลงเข้าไปข้างในใจแล้วปลายปืนอยู่ตรงที่ผู้รู้คือไม่ต้องอาศัยสิ่งรู้แล้วคือแน่วแน่โดยไม่ต้องอาศัยมีมิตอันนี้คือสมาธิขั้นเจโตสมาธิอนนันไม่มีมิติโอเคไหมซึ่งอันนี้จะแน่วแน่มากมันก็จะเกิดอะไรเกิดจนเหมือนมีความรู้สึกต่างๆมารวมเป็นแกนกลางเหมือนมีแกนกลางอยู่ อยู่ข้างในโอเคไมพอมีกันการอยู่ข้างในตรงนี้เรียกว่าเจโตสมาธิอันไม่ต้องอาศัยนิมิตแล้วโอเคแล้วแล้วยังไงต่อก็อยู่ตรงนี้แต่สิ่งเพราะไม่อาศัยนิมิตคือลมหายใจหรือคลองยุคแต่มันจะเห็นนิมิตคือร่างกายเขาเรียกว่าเห็นความโกล ว, วนรนกวานในสนังขาร พอมันแนบแน่อยู่เนี้มันจะรับรู้แค่ความโกวนโกลวัยในสังผาสเพราะเรายังมีชีวิตยอยู่โอเคไหมเพราะนั้นตรงนี้ในเจโตสมาธิอั น, นไม่มีนิมิตเนี่ยในพระไตรปิฎกก็จะใช้คําว่าสิ่งที่ยังคงเหลืออยู่ก็เพียงแค่ความโกวนโกวัยสัมผัสนิดๆเพราะอะไยังไม่หมดที่เลเป็นอยางยัง่งเนี่ยนะแล้วพอตรงนี้เราได้เจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตแล้ว เราจะเห็นความโกลงก่อยในสางผานด้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงพอเห็นความไม่เที่ยงว่ายังไงพอเห็นความไม่เที่ยงให้ตรงแกนกลารตรงตัวนี้จะกลายเป็นความว่างไม่มีแกนกลางแกนกลางนี่ก็คือตัวทร s e ซ f พอเราเห็นความไม่เที่ยงแกนกลางจะกลายเป็นความว่าตรงนี้ก็เข้าสู่อนิมิตต์สมาธ หรืออนิมิตตาวิโมกอนิมิตตาก็คือเห็นความไม่เที่ยงจนกระทั่งว่างหมดแกนกลางก็ไม่มีโอเคไหมพอเห็นความไม่เที่ยงเรียกอนิมิตตาสมาธิถ้าว่างหมดจนกระทั่งแกนกลางก็ไม่มีก็เรียก อ, อนิมิตตาวิโมกแล้วพอว่างคั้งที่สองเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นมีแต่เปลี่ยนแปลงตั้งอยู่ได้ไม่นาน้าเรียกว่มมาเห็นภพ เห็นจนกระทั่งวางว่างหมดขั้นที่สองว่างหมดแกนกลางก็ว่างขึ้นเด็กก็เรียกว่าอนิมิตตอัปนิสตาสมาธิอนิมอปนิสตาคือเห็นทุกอนิมิตตาคือเห็นไม่เที่ยงที่เรียกว่าเห็นไม่เที่ยงเพราะว่าไม่สําคัญขั้นหมายในนิมิตะนะทุกอย่างเสมอกันนะคือเสมอกันตรงที่อนิจจ แล้วพอเห็นอริชันก็จะเห็นทุกพอเห็นทุกปั๊บก็จะเกิดความว่างข้างในแกนกลางนะพอว่างข้างในแกนกลางพอเห็นทุกว่างครั้งที่สองมันจะเกิดว่างครั้งที่สก็คือไม่เห็นความที่ไม่เที่ยงเป็นทุกว่าคือความไม่มีตัวตนที่ควรจะไปยึดมั่นถือมันไม่มีอะไรที่จะไปยึดมั่นถืมั่ได้เลยจะเกิดว่างครั้งที่สามเขาเรียกว่าศุญญติสมาธิ สุญญาาวิโมกเพราะว่าข้ น, น, นที่สครับเกิดอะไรเกิดสุญญตาศสมาธิสุญญาาวิโมกถ้าหมดจดเลยนะเขาเรียกว่าเาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันวิโมกแล้วสุญญตาสมาธิสุญญตาวิโมกสุญญา เจโตวิมุตโอเคไหมจะเกิดอันที่สามสุญญตาเจโตวิมุตคือรลุดรุดเลยโอเคไหมทางเดินมันมีสามอันนะเพราะนั้นไปอานะ่านแหละเขาใจเขาว่าสุญญตาเจโตวิมุตอ่าแล้วก็แปลกครับไม่มีอานิมิตตาเจโตวิมุตไม่มีไม่มีอานิมิตตาเจโตวิมุตไม่มีท <c oughs> ี่ ม, มีในประเทศไท ไอ้พิเศษเร็วมีแญญาตาส่สุญญะตาสมาธิสุญญะตาพิโมกข์แลเพิ่มอีกนั่นสุญญะตาเจโตพิโมกข์เพิ่ ม, พ ม, มันแปลกมันยังเพราะฉะนั้นไอ้สุญญะตาเจโตพิโมกข์เนี่ยเป็นอันสุดท้ายเนี่ยวางจากตุ่มและของอยู่แล้วก็ติดพ้นความรูอย่างนั้น้ก็โสดาบันทิพยไปเข้าใจไหมลุ้ขั้นตอนง่ายไหมง่ายดีเนาะเดี๋ยวขอข้างน้าแบบง่ายข้างน้ำ ดื่มน้ำเยอะกว่านี้ยิ่งอัดไปวะอัดไปครับผมอัดจะก็ไม่หมดนะครับจะเดเดเดี๋ยวให้ให้บูทูธนียิ่้สรุปมากเลยอุ้ยไม่ต้องไปลงูทูบเห็นไหมสุดเคือกันง่ายเกินไปเข้มันง่ายเกินไปใครอยากจะ